ในสู sociedad, ตรต่อไปนะครับตันหาสูตรนะครับดูก่พิสูจน์ทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดแห่งตันหาสี่อย่างนี้ถามว่าสี่อย่างเป็นชนะดดูก่พิสูจนทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งจีวอนนะครับเพราะจีวอนั่นแหละจึงมีตันหานะ เพราะเหตุแห่งบินทบาตเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งสมบัติและวิบัตอันนี้หมายถึงยานะครับสรุปแล้วก็เพราะปัจจัยสี่นั่นแหละด้วยประการชนิดูการพิสูจนทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เป็นที่เกิดแห่งตันหาสี่อย่างนี้และนะเพราะปัจจัยสี่นี้แลตันหามันจะเกิดะนะเนาะตรงก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อน ท่องเที่ยวไปอยู่สิ้นกาลนานคิดดูนะตันหานี่เป็นเพื่อนใช่ไหมครับพาไปหาจีวนบ้างพาไปหาอาหารบ้างพาไปหากุติเสนาสนะบ้างพาไปหาอยู่หายาเป็นต้นเนี่ยนะ ย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับตันหาเป็นเพื่อนพาไปหาเครื่องเป็นอยู่กินเนี่ยนะอย่างวิชาชีพทั้งหลายนี่นะครับก็เรียนเพื่ออะไรครับก็เรียนเพื่ออาหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นตันหานี่เป็นเพื่อนพาไปร่ําไปเรียนเพื่อข้าวปลาอาหารเพื่อเสื้อผ้าเครื่องน ong h มที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่ององอเลือกสวนไรนาเ น, นี่ยนะตันหาเนี่ยพาไป พอตันหาพาไปอย่างนี้ก็ท่องเที่ยวไปนอนไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้แล้วว่าตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้มีตันหาปราศจากไปแล้วไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบนะครับตันหาในตัวสมุทัยศัตว์นะแล้วก็ถ้ารู้สมุทัยศาสตร์ก็ มีตันหาไปปราดแล้วด้วยอริยมรรคนะครับก็ไม่มีอุปาทานก็สามารถพ้นวัฏทุกข์ได้นะครับซึ่งอัจฉ ร, ริยะทีบายว่าในบทว่าตันหุ ป, ปาทานะครับอธิบายว่าชื่อว่าอุปาทะเพราะหมายความว่าเป็นที่เกิดขึ้นถามว่าอะไรเกิดขึ้นตอบว่าตันหาความเกิดขึ้นแห่งตันหาชื่อว่าตันหุปปาทะอธิบายว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาคือเป็นเหตุแห่งตันหานะ เพราะอะไรครับเพราะมันจะชอบก็ชอบเสื้อผ้านี่แหละนะกิเลนจะเกิดกับพวกเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าก็ถ้าเป็นคาราวาสก็รวมถึงเครื่องประดับทั้งหลายด้วยนะครับนะถ้าหากว่าอาหารก็เกี่ยวกับเครื่องกินของลิมของเลียนี่ยนะครับของว่างของไม่ว่างอะไรทั้งหลายอะไรทั้งหมดนะครับถ้าที่อยู่อาศัยก็หมายถึงยวดยานพาหานะด้วยทายายู่ยาทั้งหลายก็เกี่ยวกับพวกยาทุกชนิดนะครับ เครื่องบำรุงทั้งหลายแล่นั่นแหละเครื่องประเทืองผิวเป็นต้นเนี่ยนะครับสบูยาสีฟันเนี่ยนะก็อยู่ประเภทยุกดานนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าตันหามจะเกิดก็เกิดแถวนั้นแหละบทว่ายถาได้แก่ในอารมณ์เหล่าใดเป็นนิมิตบทว่าอุปชมานาได้แก่มีปกติเกิดขึ้นบทว่าจีวรเหตุเมียที่บายว่าตันหาย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งจีวณสมัยก่อนนี้เขาฟังคําว่าจีวณเขาคิดถึงผ้านะครับไม่ได้นึกถึงไอ แบบอย่างเราเหรอครับไม่ได้นึกถึงสีแบบพระพิสูจนะแต่นึกถึงผ้าทั้งหลายอันหนึ่งสาวะอิติในบทว่าอิติภาวะภาวะเหตุนี้เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่าตัวอย่างอนะมีความหมายว่านิทัศนะตัวอย่างเมือนอย่างที่มีความหมายว่าแม้เพราะเหตุแห่งจีวรเป็นต้นอันหนึ่งในบทว่าภาวะภาวะนี้ท่านประสงค์เอาเนยใสยและเนยข้นเป็นต้นที่ประณีตประณีตเพราะหมายคําว่าเป็นเหตุแห่งความไม่มีโรคะนะอายาเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นคําว่าภาวาภวะความเจริญและความเสื่อมสมบัติหรือวิบัติเนี่ยนะครับหมายยาทั้งหลายแหล่นี่นะครับบรรดาสมบัติและพบทั้งหลายสมบัติและพบที่ประนีตและประณีตกว่าท่านเรียกว่าภาวาภวะดังนี้บ้างอันนี้ขยายคำว่าศัพท์นะขยายลักษณะของศัพท์คำว่าภาวาภาวะบางทีก็สมบัติและพบนะที่ประณีตยิ่งๆขึ้นไปหรือบางทีภาวะได้แก่สมบัติอภาวะได้แก่วิบัตินะครับหรือบางทีภาวะหมายว่าเจริญอาจภาวะได้แก่เสื่อม ก็ตันหานี้ก็มีภาะวะภาวะนั่นแหละเป็นนิมิตเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภาวาภาวะเหตุวาในคาถานะคาถาที่พระองค์ตรัสว่าบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปอยู่สิ้นกาลนานย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกสุรู้โทษนี้แล้วว่าตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้ไม่มีตันหานะปราศจากไปแล้ว ค, คือเป็นผู้ไม่มีตันหาเป็นผู้ปราศจากตันหาไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบนะครับตัหาทุติโยมีตันหาเป็นสหายหรือมีตันหาเป็นที่สองนะครับเป็นเพื่อนรักนะอธิบายว่าสัตวน์นี้เมื่อท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตซึ่งมีที่สุดเบื้องต้นอันใครใครตามรู้ไม่ได้นะอดีตเนี่ยย้อนไปเอะครับถอยหลังไม่มีจบมีสิน้น ก็มีได้ท่องเที่ยวไปคนเดียวแต่ว่าได้มีตันหาเป็นที่สองคือเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปด้วยนะโหอดีตอันยาวไกลนี่มีตันหาเนี่ยนะครับมาด้วยอนาคตก็จะพาเข้าไปด้วยอีกนะครับเขาพาไปนะพาเขาบั่งเราพาเขามั่ง เ, เขาพาเราบังอันนะจริงอย่างนั้นตันหานั้นไม่ให้สัตว์ได้คิดถึงการตกไปในเหวนั้นนะครับไม่ได้คิดถึงนรกอะไรหรอกครับให้เห็นแต่เฉพาะอั น, นิี้สองในพบทั้งหลายแม้อากูลด้วย โทษเป็นอนเนกเหมือนพรานตีพึ่งเช่นั้นนะนะทําให้นึกถึงแต่ความหวานของพึ่งนะตอนที่พึ่งมาต่อยทั้งหลายต่อยหัวต่อยตาต่อยจมกูกต่อยตามเนื้อตามตัวเนี่ยนะครับมันปูดมันโตนมันอะไรขนาดไหนก็ไม่นึกนะมันนึกแต่ความหวานของน้ํำพึ่งระวังนั่นนะตัณหานี่ก็คิดถึงเหมือนกับคิดถึงแต่น้ําหวานคิดถึงแต่ความสวยความงามความร่ําความรวยความมั่งความมีความสีสุขทั้งหลายเนี่ยก็คิดแต่ความเพลิดเพลิน แต่ว่าแหมโทษทั้งหลายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับอาบเหงื่อตางน้ำตรากตรำเนี่นะครับไม่นึกลืมหมดนะครับแม้กระทั่งการทะเลาะ บ, บ่อแวงการชกการต่อยการเขี่ยนการตีการด่านี่นะโทษทั้งหลายเหล่านั้นลืมหมดนะครับมันปิดไม่หมดไม่เห็นหรอกให้เห็นแต่ความหวานความชื่นความเ อ, อิบความอิ่มความอร่อย <S <S อร่อยนะเพราะฉะนั้นจึงให้สัตว์เนี่ยหมุนไปในข่ายที่ไรประโยชน์นะครับ บทว่าเอตมาทีนวังยะตะวาความวารู้โทษนั้นคือที่หมายรู้ว่าเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นในขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตในปัจจุบันคือให้เห็นโทษนะนะให้เห็นโทษ นี้ว่าโทษในขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นความอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของที่มีชาติมีความเกิดเป็นธรรมดาแก่เจ็บตายเศร้าโศกพิรไรรำพันเป็นต้นเป็นธรรมดาเป็นของเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเครื่องล่อของมานเป็นของที่มีความตายเป็นธรรมดานะครับเป็นที่อาศัยให้ตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับ อันทารู้โทษแบบนี้บทว่าตันหาทุกขะสะสัมภวังรู้ว่าตันหาเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ที่ว่าไปทั้งหมดนี่ยนะครับมีตันหาเป็นแดนเกิดเป็นเหตุแห่งภัยนะครับชาติภัยชาราภัายเป็นต้นนะครับเป็นเหตุแห่งวัฏฏะทุกทุกชนิด ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการที่ภิกษุรูปหนึ่งเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุอรหัตผลด้วยคําเพียงเท่านี้บัดนี้เมื่อจะทรงชมเชยภิกษุผู้ขี่นาศพนั้นพงษ์จึงตรัสว่าวีตตันโหบอกว่าถ้าหากว่ารู้โทษแบบนี้แล้วนะเป็นผู้มีตันหับปราศจากไปแล้วไม่ถือมั่นมีสติเว้นรอบอันนี้ก็เป็นพผ้าหันเรียบร้อยแล้วไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีสติและสัมปชัญญะนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้นะครับ